ครั้งนั้นมีดาบทรูปหนึ่งมาสู่กรุงพารณสีทางอากาศนุ่งห่มเรียบร้อยเที่ยวบินธบัดถึงประตูเรือนแห่งปุโรหิตปุโรหิตนั้นเลื่อมใสในความสงบของท่านนำท่านมาสู่ที่อยู่ของตนให้ฉันแล้วปฏิบัติอยู่สองสามวันเมื่อเกิดความคุ้นเคยกันจึงถามว่าผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าอยู่ในที่โน้น อุโรหิตจึงถามต่อไปว่าผู้เป็นเจ้าอยู่ในที่นั้นรูปเดียวหรือรูปอื่นอื่นก็มีอยู่ท่านตอบว่าพูดอะไรฤาษีนับด้วยหมื่นอยู่ในที่นั้นล้วนแต่ได้อภิน ญ, ญาห้าสมาบัตแปดกันทั้งนั้นอุโรหิตได้ฟังคุณสมบัติของฤาษีเหล่านั้นจากดาบทรูปนั้นจิตก็น้อมไปในบรรพชาจึงกล่าวกับดาบนั้นว่า พอผู้เป็นเจ้าโปรดพาข้าพเจ้าไปบวชในที่นั้นเถิดท่านกล่าวว่าเธอเป็นราชบุรุษอาตมาไม่อาจให้บวชได้ปุโรหิต จ, จึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะทูลลาพระราชาพรุ่งนี้ผู้เป็นเจ้าโปรดมาที่นี้ดาบทนั้นรับคำ ปายปุโรหิตบริโภคอาหารเช้าแล้วเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าประบาทปรารถนาจะบวชพระราชาตรัสถามว่าท่านอาจารย์จะบวช ด, ด้วยเหตุไรปุโรหิตกราบทูลว่าด้วยเห็นโทษในกรารทั้งหลายเอ็นอนิสงค์แห่งเนคขมมะพระราชาทรงอนุญาตว่าถ้าเช่นนั้นจงบวชเถิด แม่บวชแล้วจงมาเยี่ยมเราบ้างปุโรหิตรับพระองค์การแล้วถวายบังคมพระราชากลับไปสู่เรือนของตนพร้อมสอนบุตรพันรยามอบสมบัติทั้งปวงถือบรรพชิตบริขารเพื่อตนนั่งคอยดาบดมาฝ่ายดาบดมาทางอากาศเข้าภายในพระนครเข้าสู่เรือนของปุโรหิต ปุโรหิตนั้นอังคาดาบทนั้นโดยเคารพแล้วแจ้งว่าข้าพเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรดาบทนั้นนำปุโรหิตไปนอกเมืองใช้มือจับนำไปที่อยู่ของตนด้วยอนุภาพของตนให้บวชแล้ววันรุ่งขึ้นให้พร้อมผู้บวชแล้วยับยั้งอยู่ในที่นั้นนำพัตตารมาให้บริโภคและบอกสินบริกรรม ดาบ ท, ที่บวชใหม่นั้นทําอภิญญาและสมาบัดแปดให้เกิดโดยวันล่วงไปเล็กน้อยก็เที่ยวบินธบาตมาฉันได้เองการต่อมาดาบทนั้นคิดว่าเราได้ถวายปฏิญญาเพื่อไปเฝ้าพระราชาเราจะไปเฝ้าตามปฏิญญาไว้จึงไหว้าดาบ ท, ทั้งหลายไปสู่กรุงพารณสีทางอากาศเที่ยวบินธบัตลุถึงพระราชทวาร พระเจ้าพารณสีทอดพระเนตรเห็นฤาษีนั้นทรงจำได้นิมนต์ให้เข้าไปสู่พระราชนิเวศ ท, ทรงทำสักการะแล้วตรัสถามว่าผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนฤาษีนั้นทูลตอบว่าอาตมาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสีถาอันอยู่ในระหว่างการจนะบรรพศในหิมวันตะประเทศด้านทิศอุดรพระราชาตรัสถามว่า ท่านอยู่ในที่นั้นรูปเดียวหรือมีดาบทอื่นๆในที่นั้นด้วยฤาษีนั้นทูลตอบว่าพระองค์ตรัสอะไรดาบทนับด้วยหมื่นรูปอยู่ในที่นั้นและท่านเหล่านั้นทั้งหมดล้วนได้อภิญยาห้าสมาบัตแปดทั้งนั้นพระราชาทรงสดับคุณสมบัติแห่งดาบทเหล่านั้นทรงประสงค์จะถวายภิกษาฐารแกดาบททั้งหมดจึงตรัสกับดาบทนั้นว่า ข้าพเจ้าใครจะถวายภิกษาสารแก่ฤาษีเหล่านั้นผู้เป็นเจ้าจงนำท่านเหล่านั้นมาในที่นี้ดาบทนั้นูนว่าฤาษีเหล่านั้นไม่ยินดีในรถที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอาตมาไม่อาจจะนำมาในที่นี้ได้พระเจ้าพรณสีตรัสว่าข้าพเจ้าจักอาศัยผู้เป็นเจ้าให้ฤาษีเหล่านั้นฉันพอผู้เป็นเจ้าจงบอกอุบายแก่ข้าพเจ้า ดาบทูลว่าถ้าพระองค์ประสงค์จะถวายฐานแก่ฤาษีเหล่านั้นจงเสด็จออกจากเมืองนี้ไปประทับแรมอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทาแล้วทรงถวายฐานแก่ท่านเหล่านั้นพระราชาทรงรับคาโปรดให้ถืออุปกรณ์ทั้งปวงเสด็จออกจากพระนครกับด้วยจัตุรงคินีเสนาเสด็จลุถึงสุดแดนราชอาณาเขตของพระองค์ ลำดับนั้นดาบดจึงนำพระราชาไปที่ฝั่งสีธานทีพร้อมด้วยเสนาด้วยอนุภาพของตนให้ตั้งค่ายริมฝั่งแม่น้ำทูลเตือนพระราชามิให้ทรงประมาทแล้วเหาะไปยังที่อยู่ของตนกลับมาในวันรุ่งขึ้นลำดับนั้นพระราชาให้ดาบดนั้นฉันโดยเคารพแล้วตรัสว่ารุ่งนี้ผู้เป็นเจ้าจงพาฤาษีหมื่นรูปมาในที่นี้ ดาบทนั้นรับพระราชดํารัสแล้วกลับไปวันรุ่งขึ้นในเวลาภิกษ า, าจารย์แจ้งแก่ฤาษีทั้งหลายว่าพระเจ้าพารณสีผู้นิรทุกมีพระราชประสงค์จะถวายภิกษาหารแก่ท่านทั้งหลายเสด็จมาประทับอยู่ณแถบฝั่งสีธานทีพระองค์อาราธนาท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงไปยังค่ายหลวงรับภิกษาเพื่ออนุเคราะห์พระองค์ รูสีเหล่านั้นรับคำจึงเหาะลงมาที่ใกล้ค่ายหลวงลำดับนั้นพระราชาเสด็จต้นรับรูษีเหล่านั้นแล้วอาราธนาให้เข้าในค่ายหลวงให้นั่งน่อาสนะที่แต่งไว้เลี้ยงดูหมู่รูสีให้อิ่มห น, นำด้วยอาหารประนีตทรงเลื่อมใสในอิริยาบถของรูษีเหล่านั้นจึงนิมนต์ให้ฉันในวันพรุ่งนี้อีก ได้ทรงถวายทานแกดาบทหมื่นรูปโดยอุบายนี้ตลอดหมื่นปีก็แลเมื่อทรงถวายโปรโดให้สร้างนครในประเทศนั้นทีเดียวให้ทํากสิกรรมมหาราชก็พระเจ้าพารณสีในการนั้นมิใช่ผู้อื่นคือหม่อมชันนี่เองหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐด้วยทานในครั้งนั้นโดยแท้ เพราะว่าครั้งนั้นหม่อมฉันนี่แหละเป็นผู้ประเสริฐด้วยทานได้บริจาคมหาทานนั้นก็หาสามารถจะก้าวล่วงเปตโลกนี้บังเกิดในพรหมโลกไม่แต่ฤาษีเหล่านั้นทั้งหมดนั่นแหลบริโภคทานที่หม่อมฉันบริจาคก้าวล่วงกามาวจรพบบังเกิดในพรหมโลกก็พรหมจะเรียวาดเป็นคุณธรรมมีพลานิสง์มากอย่างใด ขอพระองค์ทรงทราบอย่างนั้นด้วยอุทาหรณ์ที่แสดงมาแล้วนี้เท้าสักกะเทวราชประกาศความที่พระองค์เป็นผู้ประเสริฐด้วยทานอย่างนี้แล้วประกาศคุณธรรมแห่งฤาษีเหล่านั้นด้วยบทสามบทนอกนี้บรรดาคําเหล่านั้นคาว่าด้วยสัญญะสัญญเมนะได้แก่ด้วยศีลคาว่าธรรมธเมนะ ได้แก่ด้วยการฝึกอินรีคำว่าไม่มีวัดอื่นยิ่งกว่าอนุตรังความว่าประพฤติวัดสมาทานอันอุดมเนืองนิดด้วยคุณธรรมเหล่านี้คำว่าละหมณะไปอยู่ผู้เดียวปกีรจารีความว่ากระจัดกระจายคือซัดไปคือละหมณะเที่ยวไปผู้เดียวคือถึงความเป็นผู้ผู้เดียว คำว่ามีจิตมั่นคงสมาหิเตได้แก่ผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเท้าสักกะเทวราชทรงสแสดงว่าหม่อมฉันบำรุงดาบดผู้มีตาบะเห็นปานนี้คำว่าหม่อมฉันผู้ปฏิบัติตรงอาหะมุชุ ข, ขตังความว่ามหาราช ฤษีทั้งหมื่นรูปเหล่านั้นผู้ดำเนินตรงเพราะไม่มีความคดทางกายเป็นต้นแม้สักรูปเดียวหม่อมฉันมิได้เลือกว่าโดยชาติคือมีชาติต่ำหรือสมบูรณ์ด้วยชาติเป็นต้นมีใจเลื่อมใสในคุณสมบัติของท่านเหล่านั้นนามัส ก, การท่านเหล่านี้ทั้งหมดเกินเวลาคือนามัส ก, การตลอดการเป็นนิตยีเดียวเท้าส ก, กเทวราชตรัส ด, ดังนี้ เพราะเหตุไรเพราะสัตว์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์อธิบายว่าเพราะเหตุว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยคําว่าวั น, นะทั้งปวงสัพเพวันนาะพึงทราบด้วยเหตุนี้นั่นแลก็แลครั้นตรัสอย่างนี้แล้วเท้าสักะเทวราชทรงโอวาทพระเจ้าในมิราชนั้นว่า มหาราชรมจริยวัดเป็นธรรมมีผลมากกว่าทานโดยแท้ถึงอย่างนั้นธรรมทั้งสองนั้นก็เป็นมหาบุริสวิตกธรรมสำหรับคำหนึ่งของมหาบุรุษเพราะฉะนั้นพระองค์จงอย่าประมาทในธรรมทั้งสองจงทรงบริจาคทานด้วยจงทรงรักษาศีลด้วยตรัตชนี้แล้สเด็ดไปสู่ทิพยสถานวิมานของพระองค์นั่นแหล พระศาสดาเมื่อประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าองค์มควาวสุชมบดีเทวราชตรัสอย่างนี้แล้วทรงอนุาสาตรพระเจ้าวิเทหรัชแล้วเสด็จหลีกไปสู่มูเทพในสวรรค์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเสด็จหลีกไปอปักกรมิได้แก่หลีกไปแล้วอธิบายว่า เทักกะเทวราชแสดงพระองค์แก่มูเทพสองมู่ผู้นั่งอยู่ในเทวสภาชื่อสุธรรมา